ขนาดวายโยธาภายนอกเลยนะมันจะวันว่า อ, อะไรมันจะพัดมันจะวันไว้อย่างนั้นนะมันก็ยังสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปใช่ไหมแล้ววายโยธาตภายในที่ตัณหามันยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยนะมีตลอดการประมาณเท่านี้เนี่ยก็เป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทําไมวายโยธาตในภายในจะไม่แปรปรวนไปเล่าเนี่ยนะ หากว่าชนเหล่าอื่นจะดัดพะจะด่าจะตัดเพอจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นสายภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันนี้เนี่ยเกิดจากโสตสัมผัสโสนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าทุกขเวทนานี้ทุกขเวทนานี้ปนแปล ว, ว่าโทสะโกรธเนี่ยนะอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเห ต, เหตุจะมีไม่ได้ ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีได้บอกทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้ภิกษุแม้นั้นแหลย่อมเห็นว่าผัสสะไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะจิตมีธาตุคือวายโยธาต์เป็นอารมณ์ของภิกษุนั้นแหลย่อมเล่นไปพองไสไม่ติดขัดอยู่ย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะหลุดพ้นไปด้วยดีก็ด้วยหน้าอนุภาพของ อนุปัสนาทั้งหลายทีนี้หากชนเราอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือด้วยประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาตราภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นสภาพที่เป็นเป็นที่ตั้งแห่งการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาตราอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไวในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยอย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าพึงตัดอวัยวะน้อยอั น, นะอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยนะด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ภิกษุรูปใดที่ยังใจให้โกรธในโจรพวกนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่โกรธต่อโจร น, นั้น อันหนึ่งความเพียรอันเราปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจกไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วจกเป็นเอกขตาคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยก้อนดินทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยท่อนไม้ทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยศาสตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีตามทีเธอ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เราจะทําให้จงได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้เจริญยังไงคิดยังไงก็แลว้วเนี่ยบางทีเนี่ยเวลากุศลมันไม่เจริญมันก็เอาเรื่องกันนะมันพยศขึ้นมาใช่มันแบบมันอุยไม่เจริญเลย ภิกษุนั้นย่อมสลดใจถึงความสลดใจเพราะเหตุดังว่าไม่เป็นลาภของเราเนอเราไม่ลาภไม่มีแก่เราหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีอย่างนี้เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจถึงความสลดใจแม้ฉันใด หากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขา อ, อันอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นก็ย่อมสลดใจถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉะนั้นเหมือนกันแลหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ โอเบกขาอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ได้ด้วยดีระลึกถึงคุณพระรัตน์ตายยิ่งเจริญวิปั ส, สนาได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยนะภิกษุนั้นเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้และคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะอัานภิกษุนั้นทำให้มากแล้วเนี่ยนะถ้ามานาัสการธาตุกรรมฐานคือมานสิการปฐวีธาตุดยอนุ ป, ปัสนาเจ แล้วไม่ถือว่าการด่าการเบียดถูกถูกด่า ถ, ถ, ถูกทุบตีนี่เป็นอุปสรรคเจริญอนุปัสนาเจตในอาโปธาต์ในเตโชธาต์ในวาโยธาแล้วมีการเปรียบเทียบอุปมาจากวัตถุภายนอกน้อมมาพิจรารณาธาตุในภายในเนี่ยนะแล้วก็ได้รับอุปสรรคปัญหาเหล่าใดเกิดขึ้นมาก็ไม่พะวันไม่หวั่นไหวไม่พร่านพลิงต่อการเจริญกุศลธรรมกุศลธรรมก็เป็นไปยอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ใส่ใจปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ได้ทํำถึงที่สุดใช่ไหมก็ชื่อว่ากําลังใส่ใจในคําสอนอยู่เจริญและปฏิบัติตามคําสอนอยู่เท่าที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอะไรแสดงอะไรไปบ้างแล้วตอนแรกนะพระภาษาริบุตรยกอะไรอริยสัจสี่ขึ้นมาอริยสัจสี่อริยสัจประกอบมี4อย่างไหมทุกขโมทายนิโรธมะแล้วก็ยกทุกขสั์ขึ้นมาทุกคืออะไรคือขันห้าในขันห้ายกมาเฉพาะ รูปขันเนี่ยนะแล้วจำแนกรูปขันโดยอนุปัสนาเจ็ดโดยเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยโดยนัยะต่างๆทีนี้อ่านะสัจจะที่เหลือล่ะทุกษาสตร์คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันยกมาแสดงเนี่ยนะเพื่อให้เห็นขัน5ขัน5ในทวาร6กเนี่ยนะการพูดขัน5ไม่ได้พูดไปเรื่อยแต่เป็นการแสดงขันหใน ทวาร6ว่าการเห็นเนี่ยนะขณะที่เห็นนั่นแหละขันห้าประชุมกันทุกครั้งที่ได้ยินนี่คือขันห้าประชุมกันขณะที่รู้กลิ่นคือขันห้าประชุมกันขณะที่รู้รสขณะนั้นขันห้าประชุมกันขณะที่รับกระทบสัมผัสทางกายนั่นแหละคือการที่ขันห้าประชุมกันการคิดนึกเรื่องราวทั้งหลายแหลนั่นแหละคือการประชุมกันแห่งขันหภาษาริบบทก็เลยมาแสดงการประชุมกัน เรียกว่าส่งเคราะห์ขันหในวาวรหให้ฟังหน้า525ข้อ346ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้และเถาวัลย์ดินเหนียวและหญ้าเวทล้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนฉันใด น, นะก็อิดหินปูนทรายเหล็กมาวางแล้วก็ฉาบด้วยอิดหินปูนทรายวางเรียงเอากระจกมาติด น, นะยกเป็นชั้นๆก็เรียกว่า เรียว่าตึกเรียกว่าอะไรเป็นต้นนันมีอะไรนอกจากอิดหินปูนทรายเหล็กมีอะไรเกิ น, น, น, นกันนั้นบ้างไหมอิฐหินปูนทรายเหล็กไม้บ้างนนก้อนดินท่อนไม้เรียงเรียงกันปั๊บมันก็เรียกว่าก้อนตึกฉั้นใดฉั้นใดก็ดีเนี่ยนะผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นอาศัยเนื้อแล้วก็หุ้มด้วยหนังสดก็นับว่ารูปชั้นนั้นเหมือนกันเลร่างกายของเราทุกคนเนี่ยแปลว่าเหมือนอะไรก็เหมือนกับเรือนเรือนว่างเรือนร้างเ ร, อ ร, งเรือนเปล่าเนี่ยนะ ที่นี้ตาไม่บอดสีภายนอกไม่มีไม่คิดจะเห็นจากครูวิญญาณเกิดได้ไหมตาเนี่ยมีละมีตาแต่ไม่มีภาพไม่คิดจะดูการเห็นมีได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ข้อที่หนึ่งตาเนี่ยมีสีมีแต่ไม่คิดจะดูจะเห็นได้ไหมไม่ได้ต้องมีตามีสีมีแสงสว่างมณสิการจึงเกิดการ เห็นเนี่ยนะก็คือหลักการง่ายว่าอาศัยจากโสกับรูปเกิดจากขูวิญญาณเมื่อมีตาดีมีสีมีแสงสว่างส่องมีมรณะสิการการเห็นก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะเรียกว่ามีมนณสิการก็เกิดการเห็นตากับสีเป็นอะไรเป็นรูป ร, ร, รูปูปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปตากับสีเป็นรูปประคันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็น เวทนาขันความสำคัญหมายว่าสีขาวสีเขียวเป็นต้นเป็นสัญญาขันสภาพที่ปรุงแต่งเช่นวิตกเจตนาภาษาเป็นสังขารขันเห็นการเห็นจิตเห็นเป็นวิญญาณขันเนี่ยนะก็ขันห้าในทวารตาใช่ขันห้าตัวนี้แหละคือตัวอะไรตากับสีเป็นรูปขันภาษาเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันจิตเห็นเป็น วิญญาณขันอาตัวนี้แหละเรียกว่าชาติชรา ม, มรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนั์และอุปาญาต์พลัดพลาดจากของรักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วผิดหวังนี่แหละคือ ต, ต, ต, ตัวตัวทุกเนี่ยนะก็คือขันห้าตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจภิสูตรย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชมเพราะหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้ามีด้วยประการ นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยทุกอย่างที่ ท, ที่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ลืมตาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะไอ้ขันขันทั้งหประการเหล่านี้แหละเรียกว่าอุปาทา น, นขันห้าอันนี้ทั้งหมดเป็นทุกขสัจจ์ความพอใจอาลั ย, ยินดีหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในองค์ประชุมคือขันห้า น, นั้นเป็น สมุทัยสัตว์ความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งมวลเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในทวารตานั่นแหละเป็นสมุทัยสัตว์การกำจัดกำจัดตัวนั้นเป็นชื่อของนิพลานเนี่ยนะกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในขัน5อันนั้นเป็นนิโรสัจจะเพราะนิโรสัจจะเป็นที่กำจัดตัณหาในขันหานิโรสัจจะเป็นที่ละตัณหาในขันห้า ถ้าไม่ตรัสรนิโรศจจะคือพระนิพพานจะตัดฉันทราคะในขันห้าไม่ได้พระนิพพานเป็นที่กําจัดดับฉันทราคะในขันห้าผู้ที่สัมมาทิฐิหรือปัญญาที่กําหนดรู้ทุกละฉันทราคะทําพระนิพพานให้แจ้งอ น, นั้นเป็นมัคสัจจะมรรคเนี่ยองค์เดียวได้ไหมไ ม, ไ, ไม่ได้เนี่ยนะสมมติว่าการเห็นเนี่ยใช้อะไรใช้ตา ถ้ามีแต่ตาไม่มีหัวอยู่ได้ไหมเอา้าใช้ตาเห็นไม่ใช่เหรออา่ามันก็ต้ององค์ประกอบใช่ไหมฉันาดมักมีองค์แป ก, ก็อย่างเดียวกันมันต้องมีองค์ประกอบเนี่ยนะมีองค์ประกอบมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจริงอยู่สัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่เห็นเป็นตัวที่รู้แต่ถ้าขาดสัมมาสังกปะเป็นต้นสัมมาทิฏฐิจะทำกิจทำงานได้ไหมบอกว่ายากเนี่ยนะยากฉันใดก็ถ้ากล่าวทุก เพื่อการกําหนดรู้กล่าวสมุทัยเพื่อการละกล่าวนิโรธเพื่อการทําให้แจ้งแสดงว่ากําลังเจริญอริยมรรคผู้ที่เจริญมรรคเท่านั้นแหละจึงกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเพราะเขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปอันนี้คิดง่ายๆว่ า, งาวสงเคราะห์ขันห้าในทวารตาประมวลขันห้าในทวารตาลงทุกข์สมุทยัยนิโรธมักคเรียกว่าประกาศอริยสัจใน ทวารตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทีนี้ทวารหูมัางการได้ยินเสียงได้ก็เพราะมีหูมีเสียงเนี่ยนะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณมีมณสิการก็ได้ยินเสียงเนี่ยนะก็เมื่อได้ยินเสียงก็มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและจิตเกิดขึ้นหูกับเสียงเป็นรูปประขันโสตะวิญญาณเป็นวิญญาณขันผัสสะเจตนาเป็นสังขารขันความรู้สึกขณะได้ยินเสียงเป็นเวทนาขัน นะก็ขันห้าก็ประชุมพร้อมมันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคือขันห้าขันตัวนี้แหละขณะที่หูได้ยินเสียงนี่แหละทั้งอดีตอนาคตก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละคือชาติชรามรณะสาเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะแสดงทุกเพื่อการกําหนดรอบรู้ความอาลัยติดข้องเยื่อใยพอใจติดพันลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้เป็น สมุทรยศาสจะการกําจัดชั้นราคาในขันห้าเหล่านี้แหละการละฉั้นราคาในขันห้าทั้งมวลเหล่านี้แหละเป็นเนโรศาสจะข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกข์ดังที่กล่าวไปแล้วคือขันห้าละชันทราคาในขันห้าทำพระนิพานให้แจ้งอันนั้นเป็นมัคคสัจจะปันก็แสดงขันห้าทุกขาริยศาสคือขันห้าในทวารหูอันนั้ทุกขาริยศาสคือขันห้าในทวารหู ประชุมลงอริยศาสตร์ที่เรียกว่าอริยศาสตร์ในทวารหูนั่นเองอ น, นะจมูกกับกลิ่นเกิดคารนณะวิญญาณ3ามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาจมูกกับกลิ่นเป็นเป็นอะไรขันรูปขันจมูกกับกลิ่นเป็นรูปขันแล้วก็ผัสสะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็น สัญญาขันคานวิญญาณที่รู้กลิ่นเป็นวิญญาณขันแปลว่าทุกครั้งที่รู้กลิ่นอันนั้นแหละเป็นเป็นอะไรขันห้าประชุมกันขันห้าประชุมกันขันอายตนะธาตุประชมกันนั่นแหละจึงมีการรู้กลิ่นเนี่ยนะนี่แหละคือตัวอะไรขันห้าคือตัวชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโธมนัตและอุปายาตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละคือกองทุกเนี่ยนะนั่นแหละคือกองทุก พระพุทเจ้าขันห้าเหล่านี้นี่แหละเป็นอุปาทานขันความฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นสมุทยสัจจะ ก, การกําจัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้เป็นนิโรสัรจจะข้อปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ดังกล่าวไปแล้วละฉันทราคาทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมรรสัจจะแสดงทุกขอริยสัจโดยขันห้าในทวารจมูกเรียกว่าประกาศอริยสัจสี่ใน ทวารจมูกทวารลิ้นก็ประกาศอริยสัจสีในทวารลิ้นประกาศอริยสัจสีในทวารกายนี่มาขึ้นทวารใจอาศัยมโนคือใจเนี่ยนะกับธรรมรมณ์มโนก็เน้นภวังหรือเอาอเน้นภวังที่สามารถเป็นปัจจัยแก่อวชนะเพราะมีผวังมีธรรมรม์อารมณ์ทั้งหลายก็มานัิการเกิดขึ้นก็เกิดชวนะคือความคิดขึ้นเนี่ยนะชวนาเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะ วัตถุของใจเนี่ยนะแล้วก็วัตถุที่ตั้งแห่งจิตนั่นแหละคือรูปประขันเนนะบางทีทำมรรมณ์บางอย่างก็เป็นรูปประขันความนึกคิดก็เป็นวิญญาณขันพัสสะก็เป็นสังขารขันเวทนาก็เป็นเวทนาขันพนัทุกครั้งที่เราคิดขณะนั้นเป็นขันห้าประชุมขันขันห้าที่ประชุมกันนั่นแหละเป็นเป็นอะไรเป็นตัวทุกขสัจจะเป็นชาติชราและมรณะเป็นต้นทั้น พวกนี้เนี่ยนะชันทราคาในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสมุทยัยสัจจะการกําจัดชั้นทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นนิโรสัจจะข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเป็นมัคสัจจะมันพระองค์ก็แสดงอะไรอริยสัจในทวารใจหรือว่าประกาศอริยสัจในทวารตาประกาศอริยสัจในทวารหูประกาศอริยสัจในทวารจมูก ประกาศอริยสัจในทวารลิ้นประกาศอริยสัจในทวารกายและก็ประกาศอริยสัจในทวารใจจริงๆแล้วท่านแสดงปฏิจจสมุปบาทด้วยนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นปัจจัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมคืออะไรคือปัจจยุบานถ้าเห็น ผู้ใดเห็นสมุทัยศาสตร์ผู้เหตุผู้นั้นต้องเห็นทุกขศาสตร์จะผู้ใดเห็นทุกขศาสตร์จริงๆต้องเห็นสมุทัยโยปฏิจจสมุปปาทางปัสติโสธรรมมังปัสติอ่านะโยปฏิจจสมุปปาทางปัสติผู้ใดเห็นปัจจัยก็เท่ากับเห็นสมุทัยศาสตร์จะโสธรรมมังปัสติผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมธรรมคือทุกขศาสตร์จะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกขก็ชื่อว่าเห็นสมุทัยถ้าเห็นเหตุรู้ไหมว่าอะไรคือผลเห็นผลรู้ไหมว่าอะไรเป็น เหตุผู้ใดเห็นเหตุผู้นั้นก็รู้ผลผู้ใดเห็นผลผู้นั้นก็รู้เหตุพระ อ, องค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะความเป็นไปไรให้ไปเนี่ยนะแสดงว่าพระสูตรนี้เป็นการแสดงอะไรแสดงอริยสัจเนี่ยนะคือขันอาญตนะและก็ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารตา เป็นการแสดงขันอายตนะขันอายตนะปฏิจจสมุบาทอริยสัตว์ในทวารตาประกาศขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะในอริยสัตว์ในทวารหูประกาศขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุบาทอริยสัตว์ในทวารจมูกที่จริงเป็นสูตรที่เรียกว่ามหาหัตถ์ปทโผมาสูตรนี่ถูกต้องเพราะเนื้อหากว้างขวางมากแสดงขันอายตนะ ธาตุปฏิจจสมุปบาทอาริยสัตว์ในทวารลิ้นขันอายตนะธาตุสัจจะปฏิจจสมุปบาทในทวารกายขันอายตนะธาตุสัจจะปฏิจจสมุปบาทในทวารทวารใจเนี่ยนะก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันก็ผู้ที่มณสิการปฏิบัติแทงตลอดอริยสัตว์ในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอย่าลยมาทุกข์พระพุทธเจ้าแสดงเพื่อการกําหนด รอบรูสมุทัยแสดงเพื่อการละนิโรธแสดงเพื่อการทำให้แจ้งอริยมรรคพระองค์แสดงเพื่อการเจริญนะแสดงอริยสัจสี่ดังกล่าวแล้วก็ทุกขารยิยสัจแสดงโดยความเป็นขันอายตนะธาตุนั่นแหละคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะก็แสดงโดยปฏิจจสมุบาทผู้ใดเห็นปัจจัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นปัจจยุบันเป็นต้นเนะว่าแสดงโดยปฏิจจสมุสมบาทข้อปฏิบัติที่ ใบกำหนดรอบรู้กองทุกละสมุไทยทํานิโรธให้แจ้งอนนั้นเป็นมัคสัตจะเนี่ยนะเป็นการแสดงขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัตว์ในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเบื้องต้นเป็นการกาหนดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรียกว่าปฐวีธาตุปิดตังเสมหางปุโพโลโหิตตังกระว่นนาน้ํนาดีน้ําเลือดน้ําน้องเป็นต้นในอาโปธาต์แสดงธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้น แล้วก็แสดงลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างเรียกว่าแสดงธาตุสเป็นขันห้าเนี่ยนะแสดงธาตุสี่เพราะธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิดรูปประขันธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิ ด, กดตาหูจมูกลิ้นกายกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งนา ม, มาขันทั้งหลายขันเหล่านี้นี่แหละที่สืบเนื่องสืบประชมกันเรียกว่าอายตนะขันอายตนะธาตุาเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสโบบาทความเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าทุกขสัจจะ เหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยการตัดชันธราคะ้ารำที่ตัดชันธราคะในสิ่งนังมวงเหล่านี้เป็นนิโรธข้อปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็การแสดงธรรมก็แสดงเพื่อประกาศอริยสัจมันผู้ที่ฟังก็ฟังเป็นอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นเป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะเนื้อหา ที่กล่าวมาโดยสรุปข้อความในมหาหัตถปทูปปมสูตรก็มีปริมาณเท่านี้เนี่ยนะพันภาษาริบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศอริยสัจเพื่อการตรัสรูร้ทำใดบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ฟังก็จงเป็นปัจจัยให้ได้กาหนดรอบรู้ในกองทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งฉันนั้นด้วยเธอเนี่ยนะขอให้ทุกท่านได้กําหนดรู้ขันอาญตนะธาตุ ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจในทวารหูทวารตาหูจมกูกิ้นกายใจโดยทั่วกัน่นะมันก็ขอจงเป็นปัจจัยเพื่อถึงความพ้นทุกตรัสรู้ทำเป็นที่ดับทุกสงบทุกขทั้งปวงตามพระพุทธเจ้าด้วยเทอเนะี่สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ เชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกทางสถานีวิทยุ1ปน1035เวลา7นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกาและ21นาฬกาถึง23นาฬกาทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1386 สนใจซดีหรือ MP3 ติดต่อดที่โรงพยาบาลนวนครถนนพุหน โ, โยธินทโทรศัพท์02 5294533 41โรงพยาบาลนวนครอายุทยาถนนเอเชียโทร035315100 30และมูลลนิิรักธรรมโทรศัพท์โฮโฮ 02-711-5997-8 ของนุมโมทนค่งหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดถึงแปดขออนลโมทตาค่ะ